น a โมจ a ิภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสม a ุ a ิทัสสะนาโมภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติัสสะนโมภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติัสสะ ในลำดับต่อ น, นี้ไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนวทางของกิจภาวนาอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความสงบเป็นตวมแพ้วเป็นส่วนใหญ่และวิปัสสนาภาวนา แนะนำชี้แจงแนวทางงานการใช้ปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารเพื่อจะได้บรรเทาอาการคือความปิดอยู่ในอารมณ์ในอนุสัยในสังโยชนางๆางให้บาบางไป ธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงสแสดงไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ธรรมขันธ์หนึ่งก็คือขอ้อความตอนหนึ่งที่ว่ารูปขันโธ ร, รูปเป็นขันธ์อันหนึ่ง น, นี่ก็คือขันธ์กองหนึ่ง เวทนาคันโทนี่ก็เป็นขันนันหนึ่งสัญญาคันโทนี่ก็เป็นขันนันหนึ่งสังขารคันโทนี่ก็เป็นขันนันหนึ่งวิญญาณักคั น, นโทนี่ก็เป็นขันอันหนึ่งคําที่ทั้งห้าประการนี้บางทีตับไม่ใช่ตับจรนลร้วนมี ที่ต่อกันเช่นเยวาวชนที่บางกมาบ้างเห็นว่าวิญญาณนักขันโทถอดออกไปก็คือวิญญาหนึ่งขันทะหนึ่งขันทะแต่ว่ากองทนี้มาเป็นรูปของสัตว์ของบารีเขาเอาตัวสุดท้ายของคําว่าวิญญาณคําว่าญาณ น, นเนนสะกุ ตัวนี้ไปสัมผัสกับขั น, ขขนโธคำว่าขันก็คือขอไข่คอไข่ตัวนี้เมื่อมาอยู่กับนอนเนีนตัวหน้าก็ต้องเพิ่มกอไก่ขึ้นตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวกอไก่ ในหมวดเดียวกันก็ขอไข่เอาตัวหน้าของขอไข่คือกอไก่ข้ามเอาไว้ท้ายนอนเอนแล้วก็ใส่มหันมกาด้ว้จุดจงกอไก่จึงเป็นวิญญาณักขันโทแม้อย่างอื่นๆในรูปักขันโทก็มีเหมือนกันเพราะว่าํำว่าขันมีขอไข่เสมอไปจึงต้อง า อ, าอักษรมาสนทิอันนี้เป็นภาษาบาลีเราที่สวดกันนี้ถ้าไม่รู้เรื่องเลยก็ขยายไม่ออกรูปขันโธก็คือรูปประกอบขันเวชนาขันโธ ก, ก็คือเวชนะกับขันสัญญาขันโธก็คือสัญญาความจำได้กับขันจางคาระขันโธก็คือ ความคิดอ่านคือสังขารกับขันวาเววิญญาณนักขันโทก็คือความรู้จากเมื่อตาเห็นรูปเกิดขึ้นเรียกว่าวิญญาณเป็นขันกองหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักคำเหล่านี้แล้วและคำเหล่านี้ มิใช่ว่าจะสัมผัสหรือต่อเติมเป็นรูปของวยากรณอย่างนี้เสมอไทยที่ไม่ต้องต่อกันเลยก็มีที่สัมผัสอื่นก็มีก็สัมผัสเป็นวิพัตปัจจหนึ่งสองสามเป็นต้นนี่คำว่าหนึ่งองสามนีคือพูดให้เข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นวิพัตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจกต่างกันไป แต่ก็คำเดียวกันเป็นว่ามาโนมานามนัสมนุษย์เราอะไรเป็นต้นหรือมนัสสุกนนีคือท่วนแล้วแต่ว่ามนุษย์เท่านั้นอันนี้เป็นวยากรของภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเราก็สวดตามกันไปตามกันไปตามกันไป เพื่อให้จำได้วิญญาณรูปักขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธจึงไม่รู้เรื่องอย่างลึกซึ่งของสิ่งเหล่านี้แต่มีประโยชน์คือหนึ่งได้กล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าสองเมื่อเราตั้งใจกล่าวนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จะเป็นเหตุให้จำพระพุทธพจน์ ของพระุ้ด้เจ้าได้และจิตที่ตั้งใจจดจำก็จะเป็นสมาธิในประเภทคณิกะบ้างอุปจาระบ้างยังไม่เป็นสมาธิชั้นสูงนักแต่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเป็นสมาธิอันใดทางคณิกะสมาธิสงบเดียวๆก็เป็นกุศลอย่างมากมายถ้าเป็น สมาธิต่อไปคืออุปจารสมาธิก็จะทำให้จิตสงบแน่นแน่นยิ่งกว่านี้และบางทีก็จิตก็สว่างที่จิตสว่างนั้นไม่ใช่วิเศษวิโสสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบันดาลแท้ที่จริงก็คือว่า นิวรนนั่นเองลดลงไปบางลงไปดนทำให้จิตสะอาดขึ้นจึงรู้เห็นตามความจริงคือมีแสงมีสว่างเพราะสมาธิคณิกะปะจาระอปปนาแต่และอย่างละอย่างที่เกิดขึ้น ย่อมกำจัดนิวรณทั้งนั้นถ้าเราพิจารณานิวรณอันใดหรือมุ่งภาวนาว่าพุทโธเพื่อมุ่งตัดนิวรณอันใดถ้านิวรณอันนั้นดับลงบางลงและสงบลงจิตก็เป็นอิสระจิตก็ปองไหล เหมือนกับว่าดวงไฟฟ้าที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็มีละอองธุรีมาจับหลอดไฟให้มัวหมองเปิดไฟก็สว่างแต่ว่าสว่างไม่จริงเราก็ต้องชำระต้องร้างต้องเช็ดถูให้หลอดไฟนั้นสะอาดเปิดไฟ ไปก็สว่างขึ้นใส่ขึ้นแยมแกงขึ้นจิตนี้ก็คล้ายกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นไปที่สว่างมิใช่จริงใดจริงหนึ่งเป็นอัศจรรย์คือชำระอาละาให้สะอาดนั่นเองฉันใดจิตที่สว่างเป็นนิมิตก็เพราะได้ชำระมีวอนนั่นเองไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้น การบําเพ็ญสมาธิก็เพื่อให้จิตสงบจิตจะสงบได้จึงต้องทำลายหรือขจัดนิวรณ์ทั้งห้าถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรามีนิสัยในนิวรณ์ข้อไหนครอบงมจิตใจของเราอยู่เป็นนิสพ่อกามาเฉนหรือพ่อพยาบาทหรือข้อจีนามิทะ ความหัวเหงาหันนอนความุข้ออุทธจจะบูจาหรือข้อวิจิกิจชาลังเลต้องใสยข้อใดมีเป็นอุปนิสัยของตนก็พึงชำระข้อนั้นให้มากๆทำไว้บ่อยๆส่วนโดยทั่วไปแล้วราคะกัดโพสะคือการมาฉันในพยาบาทในเรื่องของ โกธและโทสะจะมีอยู่เป็นจำนวนมากฝ่าในอุปนิสัยอื่นหรือในนิวรณอื่นเพราะราคะโทสะโมหนี้เป็นแม่บทของฝ่ายกิเลสของเครื่องสมองเรียกว่าราคะเป็นพยามานโทสะเป็นพยามาน โมห oh ะเป็นพยามานและก็บริวารของมานเหล่านี้ก็มีต่อๆกันไปคือตายเห็นลูกล้วเกิดความชอบใจในั่นเป็นสายทางหรือเป็นบริวารของมานพรได้ยินได้เห็นคนหรือเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือได้ฟังสิ่งหนึ่งได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดนดะ้ไม่เพราะหูไม่ชอบหูไม่ชอบใจสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแบบเรียกว่าทางของมารหรือเป็นบริวารของมารเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้คาว่ามารคาว่ายักษ์เหล่านี้มีเป็นจำนวนมากคำเหล่านี้ที่มีขึ้นนั้น มีอยู่สองประการคือเป็นเรื่องราวจริงในอดีตต่างๆและในชั้นของสรรพสัตว์เหล่านั้นเป็นที่เกิดอยู่ส่วนในตาสามัญของมนุษย์จะมองไม่เห็น อีกสัวนหนึ่งคำว่ายักษ์มารเหล่านี้เป็นปุคราจิฐานคือคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนโดยตรงเป็นของจริงเช่นในกอในขอนี่หมายความว่าเป็นบุคคลตัวตนมีจริงแต่ธรรมะคือโทสะ ไร้กาดโกหกความโกรธพยาบาทความเครียดแค้นเอาชีวิตเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ดุกดันเนียกวายักษมาเปรียบเทียบเป็นวายักษที่มาเปรียบเทียบเป็นวายักนี่ก็เรียกว่าปุกลาทิฐานถ้าแสดงธรรมะโดยตรงก็เรียกว่าธรร ม, มาทิฐานทำคําสอนนี้มีทั้งปุกลาทิฐานและธรร ม, มาทิฐาน ทำมาทีปุาธิฐานสแสดงไว้ก็เพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะเป็นเครื่องเปรียเทียบเหมือนพัวฟามันหนึ่งอันใดที่ยังไม่เข้าใจถ้ามีเรื่องราวคล้ายๆกับนิทานมาประกอบเราก็จะกาใจง่ายหรือในตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพยามารทำร้าย พระผู้มีพระภาคเจ้าหวังขัดขวางการจัดสรุของพุทธองค์ด้วยอาการต่างๆก็ไม่สาเร็จํำว่ามานี่เป็นเทพประบุองค์หนึ่งเรียกว่าทาปรนิมิตระวะสวัสดีซึ่งไม่ชอบใจผูกใจโกรธพระพุทธเจ้ามาจัดแดงางก่อนอันนี้เป็นเทพอันหนึ่ง มีอยู่แต่ไม่มีอยู่ในมนุษย์โลกนี้อีกส่วนหนึ่งที่กล่าวว่ามันได้ให้หลูกสาวสามคนมาล่อลวงพระผู้มีพระภาคเจ้ามหติตตทรุคือนางราคานางอ ร, รดีนางกัญหา ทังสามประการนี้เป็นชื่อของอกุศลธรรมนั้นนั้นนำมาเปรียบเทียบนางราคะก็คือราคะในแก่ความกัหนัดนางอรดี ก, ก็คือกูเบียดเบียนอิจานิทยาซึ่งกันและกันนางตันหาก็คือความทะเ ย, ยอทัยานอยากในรูปรถกิ่นเสียงเขาก็เป็นการมาจันหาในความอยากใหญ่ก็เป็นภวะจันหา ในความไม่พอใจก็เป็นวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นในธรรมะของพระพุทธมีพระพากเจ้ามีทั้งปุคราจิฐานธรรมะเอาไปชื่อเรียกบุคคลให้เข้าใจง่ายและธรรมะล้วนๆที่ไม่มีปุคราจิฐานเจอือส่วนมากจะเป็นอภิธรรมอภิดกส่วนในพิสูจน์นั้นวันพสูตนนั้น มีหลายสูตรที่เปรียบเทียบเป็นปรุรละิทฐานนำเรื่องราวมาประกอบเป็นเรื่องเปลี่ยนชื่อให้ได้เกิดความเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้อารมณ์อันใดอันเป็นราคะอุ้มรุมจิตใจก็พึงรู้ตามความเพียงว่านี่มานกำลังมา ทำจิตใจของเราให้เกิดคามัวหมองเพื่อเป็นบ่วงปะัะบเป็นบ่วงพย้ปาจะเป็นบ่วงคล้องเราให้เป็นไปตามอาการของมารและมารย่อมมีอาหาร ให้บุคคลต่างๆหลงไหลด้วยประการต่างๆหลงไหลไปในทางชอบบังหลงไหลไปทางไม่ชอบบังเช่นเขาว่ามาเขาด่ามาเขาว่าเขาอิจฉาดิยามาทำให้เราต้องโกรธถ้าผู้ที่ไม่มีสติไม่มีธรรมะนั่นคือ สัวนหนึ่งของอาหารมานที่ฟางใสหรือให้เราเป็นผู้บริโภคเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเขาว่ามาเขาด่ามาเราไม่รับเราทาใจปล่อยวางเสียเหมือนกับเราไปบ้านใครที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากกล่าวาถามผู้หนึ่งว่าเมื่อเรามาบ้านท่าน ปันให้น้ำให้ข้าวอาหารมาให้เราถ้าเราไม่บริโภคอาหารนี้ตกเป็นของใครพรามเ็บอกว่าเป็นของเจ้าของบ้านฉันใดเขาว่ามาเข้าด่ามาเราไม่โกรธเข้าด่าอันใดก็เป็นของผู้ดา่าเขาว่าอันใดก็เป็นของผู้ว่าผู้ว่านั้น คือหมายความว่าบาปที่เกิดจากการด่าเป็นของเขาบาปที่เกิดจากการว่าเป็นของเขาไม่ได้เป็นของผู้รับเพราะฉะนั้นหาว่าใครไปกโกรธตัดไปรับคือหมายความว่าโกทะเกิดขึ้นก็เป็นบาปคิดจะว่าเขาบ้างเถียงเขาบ้างด่าเขาบ้างพอด่าเขา ก, ก็เป็นคาหยาบ เป็นส่วนหนึ่งของมุสาว่าเราก็เป็นผู้เสียสีนนี่ก็คือบาปเพราะฉะนั้นข้าหากวข้าเราไม่โตอตอบเราก็ไม่บาปคนที่ว่านั้นเป็นบาปเองถ้าธรรมวินัยละเอียดละลึกซึ้งมีทั้งข้อเปรียบเทียบทั้งสองประการ น, นี้เพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงต้องศึกษา ให้รู้พื้นฐานในเบื้องต้นแห่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความเข้าใจต่างๆในสิ่งให้ถูกต้องในสิ่งทางสารทั้ ง, งหลายเหล่านั้นถ้าหาว่าไม่รู้ในบางคราวว่าบอกว่าเป็นยักษ์เป็นมารก็เลยกลัวไม่กล้าไปในที่นั้ น, น, น แต่ความจริงยักษ์มาเหล่านั้นก็คือกิเลสนั่นเองมานเหล่านั้นอยู่ในใจของเราแล้วเราไม่รู้ยักษ์เหล่านั้นอยู่ในใจของเราแล้วเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้เราก็ต้องกำจัดสิ่งเหล่านั้นเสียถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในขณะใดเช่นเราภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธ เกิดเผลอไปเป็นนึกเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นกุศลความดีก็มีอากุศลความไม่ดีก็มีมาแทรกทึ้งกับพุโทโธนั่นคือหมายความว่ามานเข้ามาเบียดเบียนเราถ้าว่าเราไม่มีสติเพียงพอก็ลืมพุโทโธก็นึกน้อมไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนียกว่าจิตของเราถูกมานดึงไป มันจะเด้งไปทางไหนก็ไปไปตามมันมึงเด้งไปทางที่น่าชอบก็ไปทางที่ชอบเด้งไปทางที่นาโกรธก็โกรธเป็นอาการเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างดีและชั่วตั้งต้นอยู่ที่จิตคือใจของเราเป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นจึงก็มีการฝึกจิต ได้แก่ทาจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความจางมั่นเมื่อมานมาให้เราเห็นในทางเช่นปานาธิบาทยินดีในปานาธิบาทอจินาทานยินดีอจินาทาน เราก็หลงไปตามออำนาจของมันและมีความรู้สึกนึกคิดไปนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรามีสติสตินี้เหมือนยามประจำจิตของเราอะไรมาก็รู้เมื่อสิ่งนั้นเป็นกรจตุรูก็ต่อสู้คือขจัดออกไปเรียกว่าไม่รับไม่เอาปล่อยสิ่งนั้นออกไปเสีย เหมือนดังที่วันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตาารัสรูปพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณทรงพระอุทานกล่าวว่ามารทั้งหลายเราเคยพ่ายแพ้ท่านมาในชาติทังก่อนมากแล้วในชาตินี้เรารู้แล้วเราหักเสียซึ่งกรรมและกลงได้แก่เครื่องหมุนของมาร และอื่นอีกไม่ให้เจ้ามาทำราได้อีกต่อไปเหล่านี้เป็นต้นก็หมายความว่าเมื่อไม่มีอริยมรรคทางของมารเรียกว่ามิชตะได้แก่มิชาทิฏฐิมิชาสังกปะมิชาวาจา มิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาส ม, มาทิรวมเรียกว่ามิจฉะนี่คือทางของมารถ้าหาว่าทางของพระหรือทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากมารให้เรียกว่าสัมมตะ ก็คืออริยมรรคในองค์แปคือสัมมาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดชอบสัมมารการรมมันะการงานชอบคือปิริยาท่าทางชอบสัมมาอาชีวเลี้ยงชีพชอบไม่หลอกลว ง, ขงเขาเลี้ยงชีวิตสัมมาวายามะเพียรชอบ เพียงชอบยังไงก็คือละบาปมาเ็นบุญสามมาสติระลึกชอบคือระลึกถึงในกายในเวทนาในจิตในธรรมเป็นอย่างสูงถ้าหาระลึกถึงจิตการงานกำลังทาอยู่รู้ตัวอยู่ในขณะ ร, รมในขณะพูดในขณะคิดในประกาประอกอบกิจอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อไม่พังเผลอก็จะไม่เกิดปาผิดปา สัมมาสมาธิความตั้งใจไปชอบตั้งใจไปชอบธรรมดาก็คือตั้งใจวิถีทางที่ดีที่งานที่สุดจริตแนวแน่อยู่ทางดีการทําสุจริตทางตายทางวาจาทางใจและสูงขึ้นไปก็คือความไปงบทางจิตเพื่อมาให้กุศลเพื่ใหแก่นิวรณ์ทลายเกิดมีขึ้น <c oughs> นี่เป็นทางของ อริยะหรืออริยมรรหรือว่าสัมมัตะเลยว่าเป็นทางของบุญเป็นทางแห่งความดีที่จริงก็คือตรงกันข้ามเหมือนเองของบุญและบาปแต่มีที่เรียกต่างกันว่าสัมมัตะทางแห่งอริยมรรมิชตะทางแห่ง ไม่มีอริยมตรรตตรงข้ามกับอริยมรรตเห็นมีสัมมาจิติเป็นสัมมตตะเห็นชอบมิชตะเห็นผิดนี่เป็นทางของของของขอ ง, ของบาปหรือของบุคคลที่ประกอบความไม่ดีด้วยประการต่างเพราะฉะนั้นบุคคลผู้จะเจริญนจิตภาวนา จึงต้องรู้ต้นเหตุในเรื่องของจิตจิตในแก่ผู้นึกผู้คิดเราทั่วไปจะนึกได้ทางที่นทางคิดดีทางคิดไม่ดีคิดดีเป็นกุศลเป็นว่าการละบาปบาเพ็ญบุญการการนึกคิดที่ประกอบให้กายสุจริตวายาสุจริตมโนสุจริตมันเป็นส่วนกุศล ถ้หาหาคิดติทางอากุศลเช่นมีความพึงพอใจในการทำบาปปานาธิบาตอชินาทานกาเมตุไม่ฉาจานเป็นต้นอันนั้นก็เป็นส่วนของทางบาปที่จะทำให้บุคคลนั้นกระทำบาปในเรื่องการว่าเหล่านั้น ทีนี้สิ่งสำคัญเมื่อสิ่งทั้งสองนี้ไม่อยู่เช่นนี้จะทำอย่างไรเราจรึงจับค้นเรื่องของทางบาปข้อนี้ต้องมีหนึ่งความตั้งใจดีให้เป็นในทางกุศลและอดทนต่อสิ่งที่ถูกมายั่วยวน ที่จะทำให้เราโกรธเราไม่พอใจหรือพอใจแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นตัณหาเช่นว่าการะตัณหาเป็นทน้นควรที่จะมีสติปัญญาป้องกันระวังสิ่งเหล่านั้นไว้จึ่งเรียกว่าสังวรคำว่าสังวร น, นี้คือความจารวมระวัง เป็นธรรมะรอยู่ห้าข้อคือหนึ่งศีลสังวรสำรวมระวังไว้ด้วยการรักษาศีลทางกายวาจาใจสองสติสังวรความอย่าพลังอย่าเผลอนึกง่ายในขณะธรรมในขณะพูดในขณะคิดในขณะดำริ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าถ้ามีสติก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดได้เป็นอย่างดีถ้าอย่างกลางๆคือรู้ตัวในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดก็อย่างดีถ้าว่าทําผิดไปแล้วพูดผิดไปแล้วคิดผิดไปแล้วมีสติรู้เลยภายหลังเมื่อกลับตัวได้ก็ดีแต่วาระชา ก็ย่อมมีส่วนไม่ดีเข้ามารประกรอบเกิดขึ้นบ้างถ้ารู้จักตรวรู้จักจำรู้จักเห็นว่าความผิดความไม่ดีห่า ง, างน้นเป็นความชั่วไม่ควรที่จะทำแล้วจะเอาไว้ตั้งใจไว้ใหม่เพราะเป็นทางดีเรียกว่าเป็นประเภทของบุคคลที่ปรารถนาความดีแต่ว่าช้าเหมือนกบหลอก้วยกำลมงอยู่ใต้น้ำ ว่าจะพ้นจากน้ำอีกหลายวันและจะพบแดดเหมือนกันเทนั้นแต่ยังเป็นส่วนดีสติจึงเป็นธรรมที่สําคัญที่คือว่าสติสังวรคือสัมรวมในสติคืออย่าฟังอย่าพลาดอยากเสลออย่าหลงอย่าลืมอย่าประมาสรวมเป็นชื่อของสติทางนั้นสามวิริยะสังวรพยายามเพียร ละสิ่งไม่ดีให้มากๆเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพียระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นเพียรบำเพ็ญบุญความดีทังกายวาจาใจที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเพียรรักษาบุญราาักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไว้ายาหยเสื่อมย่ยหายไปรักษาความดีให้สาเสมอ ติสังวรสติสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรคือความอดทนต่อสิ่งที่มายั่วยวนรูปที่น่าแล้ ว, ว่าสวยว่างามเห็นรูปแล้วต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะหรืออย่าไปสนใจที่เนกา ว, ว่าเหมือนก็นรูปปั้น เหมือนกับรูปพ้าพินไว้ในกระดาษไม่ช้าไม่นานเขาแตกกระจายออกไปไม่มีอะไรเป็นที่เที่ยงแค้แน่นอนเมือรูปเหล่านั้นจากคนและสัดต่างๆเขาตามในสุดไม่ได้อยู่เป็นที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเมื่ออายุมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าสวยงาม สิ่เหล่านั้นก็ค่อยเสือสเส่อมความสวยเสื่อมความงามจอมปรากฏให้เห็นในทิ้งที่มีงามมากขึ้นมากขึ้นมาก ข, ขึ้นตามลาดั บ, บน้ำมูกน้ำหูน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำใครที่หลังไหลออกมาจากภายในว่าออกภายนอกข้างนอกออกมาเห็นเป็นอย่างไร เห็นเป็นของส่อโคราเห็นด้วยของมีกินเหม็นก็ใหรู้ว่าในกายของเราในกายของคนอื่นเองภายในนี้มีสะสมกองเหม็นไว้มีสะสมส่วนความเหม็นไว้มีสะสมส่วนความปกปอกไว้เพราะฉะนั้นล่างตายของเรากระเพาะและลําไส้น้อยลำไส้ใหญ่อยู่ใกล้จิตกระสิ่งตัก็ปกมามา สิ่งที่เราปรุงก็อย่างดีหุ่มต้มก็อย่างดีไม่มีเชื้อโรคอะไรแล้วแต่เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไปหมักหมมสิ่งในภายในก็หมักหมมในสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกนานๆเข้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บตัวกางต่างอย่างแขมพิเศษคือมีหนอนในภายในเกิดขึ้นได้ เพราะเมื่อสี่งเหล่านั้นบูดหน้าแล้วคือพยาธิและหนอนคือพยาธิก็ทําร้ายอะไรต่างๆให้เราปวดพ้องบ้างอื่นๆบ้างทางที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้หนอนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นตัวหนอนที่ไหนภายนอกที่เข้าไปข้างไหนก็คือของที่สะอาดสะอาดท่านเอง แล้วเขาไปอยู่นานๆเขากลายเป็นเหมือนเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์บางท่านยังกล่าวสอนกรรมฐานเรื่องอัิุภพกรรมฐานว่าเพราะลำไส้ของเรานี้เป็นประดุจป่าช้าที่เขาทิ้งศพมาอยู่เสมอศพนั้นก็คือศพหมูบ้างศพปลาบ้าง สบอุ้งบ้างกบหมึกบ้างอื่นๆน า, นานาประการและว่าหมากเหม็นอยู่ในตัวของเราถ้าเรามองกายของผู้อื่นถ้าเห็นรู้สึกว่าสวยว่างานต้องร้องก็ร้องนึกมองจุดนี้ก็เราวูทันทีว่าแท้จริง เนื้อและหนังนี่บังป่าช้าไว้เนื้อและหนังเป็นประดุจป่าบังป่าช้าไว้ป่าช้าของเขากําลังบวกลกำลังเน่าของธากศพถ้าหากว่าไม่เชื่อลองดูเมื่อเราถ่ายอุชระปัสวะเป็นอย่างไรก็ต้องรีบล้างอันทีมีกลิ่นเหม็นเป็นของเน่า แล้วก็มองต่อไปว่าของเราชั้นใดคนอื่นก็ฉันนั้นของผู้ชายชั้นใดของผู้หญิงก็ฉันนั้นและไม่ใช่เป็นเพราะอายุมากตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะ น, นั้นร่างกายนี้นคุกครีด้วยของสุขภปณส์ตโครเลยเข้ามาจึงมีกลิ่นเหม็นเป็นเหงื่อออกมาก็มีกลิ่นเหม็น หายใจมาก็มีกลิ่นเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าปฏิกูลพระผู้มีพระภาคเจาทรงสอนให้ว่าเกสาโลมานขาสันตาแต่ะและอย่างเป็นที่เกิดมาจากผิวหนังนี้คือน้ำเลือดน้าหนองเหล่านั้นที่เป็นเส้นออกมาล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทางสินดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าผม ของเราที่พยายมระดับดาจบแต่งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทันเมื่อตัดเมื่อโกนออกมาแล้วมาเผาดูก็จะมีกลิ่นเหม็นมีน้ํามันก็คือมาจากร่างากายนั้นไม่มีของใครเป็นของหอมมีแต่ของเหม็นทั้งสิ้นแม้ไม่เผาเอามากองไว้นานๆหลายๆคนโกนผมก็ออกมาแล้วไปกองมากๆร้อยคนหลายๆร้อยคนก็ใหญ่กองผมอันใหญ่โต ฝนตกมาก็หมักหมมน่นั้นบ้างแดดเผาให้แห้งบางเดี๋ยวก็เปียกบ้างก็ย่อมมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นเพราะไม่ได้มีการดูแลแล้วแม้แต่คนเราถ้าหากว่าไม่อาบน้ำชำระกายไม่สะไม่สาง ส, ส ร, ระร่างกายวะราไว้นี้ก็มีกลิ่นเหม็นแต่ตัวเราเองมักจะเข้ากับตัวเราเองว่าไม่เหม็นแต่คนอื่นเขาว่าเราเหม็นก็กินของเขา เราก็ต้องควรทําความอาบทลางกายของเราคนสูบบุหรีกับคนไม่สูบบุหรีกกอยู่ใกล้กันคนที่สูบบุหรีว่าบุรีหอมคนที่สูบไม่สูบบุหรีว่าบ ว, ว่าบุรีเหม็นคนที่ไม่อาบน้ําไม่ขัดใครก็เข้าใจว่าตัวเองไม่เหม็นแต่คนอื่นถ้าก็ขาขัดน้ําขัดขัดจัดกายของเราให้เสาให้สะอาดเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นมนุษย์ เป็นผู้ประเสริฐจึงต้องมีความสะอดะสาดร่างกายสริระร่างกายของตนทันน้งภายในภายนอกตามสมควรเพราะภายนอกเห็นได้ชัดไเจนอย่าปล่อยไว้ถ้าหาว่าปล่อยไว้เราใส่เสื้อผ้าอันใดพ่สู่สามเนนใส่จีวรอันใดความเหม็นของเหงื่อใครเหล่านั้นก็จะมาเปืเ้อนจีวร และเมื่อใช้จีวร อ, อยู่ใกล้ใครผู้อื่นก็ได้รับผิ่นปฏิกูลทำให้เกิดความขยะแขยงเป็นไปนด้วยของไม่สะอาดจิงอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นกรรมฐานถ้ามันเป็นกรรมฐานได้ดีในขณะที่ยังไม่เป็นกรรมฐานก็จะเกิดความรังเกยียจกันคิ่เานี้เป็นที่รังเกยียจของสังคมเพราะฉะนั้น จรระร่างกายของเรานี้สิ่งภายในไม่สะอาดเรายังไม่สามารถจะทำให้หมดจดได้ควรทำความหมดจดในเรื่องความสะอาดทางกายภายนอกของเราให้ดีอย่าให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดของจนจวนวรวมที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าผู้ใดๆนย่นที่นี่ยกมาขอเป็นตัวอย่างของเรื่องการพิจารณากายครับเพราะฉะนั้นเราลองสังเกต ด, ดู ว, ว่า อารมณ์ของเราอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าตายเห็นรูปเกิดความชอบขึ้นพอใจขึ้นถ้าเรานึกถึงเรื่องต่างามาแล้วหรือเปลี่ยนจิตที่กำลังกาลังนึกว่ารูปนั้นเป็นของสวยมาพิจารณาเกษาผมทั้งหลายโลมาคนทั้งหลายนัชขาเล็พทั้งหลายทันตาพันทั้งหลายตะโจคือหนังเอาจิตของเราที่ ไปผูกพันนั่นตัดความปูกพันเอาจิตมาพิจารณาผมขนเล็บปันหนังความรู้สึกที่ว่านา่าพอใจนั้นค่อยๆสลายลงไปและเมื่อภาวนาเข้าภาวนาเข้าจิตใจของเราก็หมอดจุดจ่ออยู่กับผมขนเล็บปันเมื่อจิตใจของเราหมจุดจ่ออยู่ผมขนเล็บปันหลายตัวหลายจริงหลายอย่าง ทำมากมาเข้ามาเข้าจิตนี้ย่อมมีพลังก็รวมเป็นหนึ่งทั้งหมดผมขนเล็บฟันนั้นเพื่อรวมลงมอยู่จรีระร่างกายคือในจิตของเราเป็นหนึ่งความสงบก็เกิดขึ้นแต่ความสงบเกิดขึ้นในขณะใดเพิ่งมีสติประคองความสงบนั้นไว้เยี่ยไม่ต้องคิดไปอย่างอื่นดูแต่ความสงบไว้อย่างเดียว เหมือนกับเราหัดเขียนหนังสือเราจะเขียนตัวอะไรจดปากกาไปแล้วหมึกออกมาเป็นรูปรสนะใดเราก็มีสติดูรูปที่เขียนออกนั้นว่าใหญ่เผลอถ้าเผอมันก็จะเขียนผิดจิตนี้จะหาว่าไม่มีสติกัะเผลอมันก็จะไปพอใจและไม่พอใจพอใจก็เกิดเป็นราคะไม่พอใจก็เกิดเป็นโสษะ เก็เกิดเป็นกิเลสกิเลสมันไวมากกิเลสเกิดง่ายกิเเกิดแล้วจะหากว่ากับคนที่ไม่มีการพิจารณาธรสมพิจารณาจะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเท่าราคะเกิดเป็นของชอบอาจโกระเกิดเป็นของไม่ชอบความชอบกับความไม่ชอบทั้งสองอย่างนี้เป็นอุปสรรคหรือเป็น ่างฝังจิตของบุคคลไม่ถึงซึ่งความดีได้แก่ความสงบความสงบเป็นแดนแห่งความดีกว่าจะถึงความหนวบแห่งความดีเพราะมีกามฉันต้านพยาบาทต้านทีนามิทะต้านอุทะจะกุกุจจะต้านวิจิกิก จ, จาต้านจึงต้องพยายามขาจัดหรือทำลายสิ่งเหล่านั้น ด้วยการพิจารณาตรงกันข้ามการไม่ฉันชอบสิ่งที่สวยงามพยาบาท mm hmm. เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจในการกิจการำคำที่พูดทีนมิทะเกิดขึ้นตามของร่างกายที่ห่วงเหงาหานอนหรือไม่ก็เจ็ดคานเกิดเป็นอธรรม อุทจจักกุจจะฟความพุ่งกล้าอย่างหนึ่งความลำคาญอย่างหนึ่งทำให้จิตใจของเราเกิดความมุดหงิดไม่เป็นอันคิดถึงเรื่องพุทโธคือเรื่องระวังจิตก็ปล่อยความมุดหงิดไปกับอารมณ์นั้นๆท่านจึงสอนให้พิจารณา ถึงความตายอันจะมีแกจงถ้าอาคุณสรธรรมคือความหมุดหงิดหรือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนี้ถ้าเราเกิดตายขึ้นในขณะนี้นรกเต็มภาคเต็มภูมิทีเดียวไม่ไปท่านไหนอะไปท่านนารกทัานเดียวเพราะนั่นเข้าสู่ทางนารก เมื่อตายก็ทิ้งร่างเหลือแต่วิญญาณเพราะวาวิญญาณกำลังหุดหิดํำลังฟุ้งซ้านจึงเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายภูมิดังที่เคยเล่ามาพระเจ้าอโศกราชทํทำบุญสุนทานสร้างเจดีร้อยแปดในชมพูทวี วันจะตายเผลอไปนิดเดียวไปเกิดเป็นงูในป่าได้งูเป็นสัตว์เจอยกว่าอบายภูมิด้วยําลังน้อยป่วย น, น้อนป่วยมากอยู่นั้นนอนประชวรมากอยู่นั้นจิตหนึ่งเกิดเป็นกุศลขึ้นคิดว่าอยากจะทําบุญอีกจึงถามพวกอมารราชองค์ารักษ์ให้ไปป่วยครั้ง การเงินเพื่อจะบอยจากข้าเลอีกอมาตเหล่านั้นทูลว่าเจ้าหน้าที่เ้าปิดคางหมดแล้วเปิดแบบไม่ได้คางเป็นของพระพเจ้าแผ่นดินใครเป็นคนปิดใครสั่งให้ปิดเกิดโกรธขึ้นมาทันทีมา่อคิดอนนี้ฤทธิแห่งความโกรธกำลังหินวอนฟอมอยู่นั้นลุกขึ้นพวดผ้าขึ้นฟ้าพระันชักดาบออกมา ผูจะข้อว่าใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนปิดแล้วก็ล้มลงสิ้นชีวิตเพราะร่างกายมันไม่ไหวแล้วไปเกิดในลักษณะของอุป ป, ปาจิกะอันนี้ก็ต้องศึกษาอกีกว่าการเกิดของสัตว์ห่ายนั้นมีสี่ประเภทคือหนึ่งชาราผู้ชะเกิดนอนในคันมานดามนุษย์แมวสุนั ทางมาวัวปลายที่เกิดเป็นตัวเนื้ออ่อนๆก่อนในคันแล้วก็เกิดมาในภายหลังสองอันเทชะผู้ที่เกิดสองครั้งเช่นไข่ของไก่และเป็ดเกิดมาเป็นไข่ทิ้งก่อนแล้วก็พักจนได้ทีแล้วจึงเกิดมาเป็นตัว เลอไม่ผีเสื้อเกิดมาเป็นนอนก่อนแล้วก็หมกอยู่เป็นตัวรักแด่ส่วนกลายเป็นผีเสื้อออบปินไปต่างๆและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างตัดดาใดที่ไม่ได้เกิดมาเป็นรูปร่างทีงเดียวเรียกว่าอันทะชะตัด่าใดที่เกิดมาเป็นรูปร่างในนอนในคันมานดาเรียกว่าชลาคุชะ อันที่สามสังเสได้ชะดธาตุเพศเหล่านี้เกิดในที่สุขปกเช่นอุจจาระตัดเน่าตัดตายมาแมลงวันบางอื่นๆบ้างประโยชน์ ไ, ไ ข, ข่คางหรือไม่ยอดเนื้อที่เน่านั้นก็ค่อยๆกลายเป็นจัดอย่างหนึ่งโดยใจความก็คือเป็นหนอนเป็นของเน่านาแล้วก็ชอบอยู่กับของเน่า ชอบอยู่ในกองอุจจระหลุมอุจจระไม่ยอมไปที่อื่นเขามีเรื่องราวที่ถูกต้องรูปออกป่าไปทํากรรมฐานทําไปทํามาจากนานๆอีกรูปหนึ่งได้สมาธิได้ญาณอีกรูปหนึ่งไม่ได้เลยจึงนึกว่าเราจะมานั่งทรมานอยู่ทำไมถึกไปอยู่ทางโลกดีกว่าจะทาอะไรก็ได้จะหาอะไรก็ได้ แล้วก็ฝึกไปพอสึกไปแล้วสิ่งที่เคยนักษาเข้ามาคอยศานะเข้านะเข้าก็เคยกินทำอะไรก็ตามใจก็จะเป็นส่วนบาปส่วนมาการตายไปเพราะไปความ พ, พอใจในสิ่งยาบในสิ่งที่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ดีจึงไปเกิดเป็นตัวนอนในกองอุจละในหลุมอุจละไปอีกรูปหนึ่ง มันเพนเพียนไปยังไม่พ้นถึงเป็นอารหันต์แต่เกิดเป็นเทพเป็นเทวดาได้วิมานอันให ญ, ญ่โตและมีฟ้าผ่าตกควันหนึ่งคนนึกถึงเพื่อนว่าเพื่อนของเราไปอยู่ที่ไหนหน อ, อยานพวกเทวดาก็มีตาทิพยานทิพย์จึงพิจารณาโอตาจึงเพื่อนของเราแย่แล้วไปเป็นตัวหนอนอยู่ลุมบูชา ด้วยความปรารถนาดีจึงเนรมิตตอนไปในที่นั้นให้เห็นในรูปของที่ขาเป็นพระด้วยกันแล้วก็บอ ก, กบเพื่อนพอดีหนอนจัวนี้กะโผม่มาเาจาะปองอุจระบอกกเพื่อนว่าท่านทำไมทั้งเผอจนกระทั่งมาเกิดอย่างนี้เราขอจตเตือนแนะนำให้ท่านกับใจเชื่ใหม่ท่านพยายามนึกถึงศีลที่เคยรักษา นึกถึงธรรมที่เคยปฏิบัตินึกถึงการบวชเจริญทุโองคาวัตบำเพ็ญจิตภาวนาไว้เป็นอารมณ์แล้วท่านจะได้เปลี่ยนภาพเปลี่ยนพจนไปสู่สุขติในของที่ดีหนอนนั่นบอกว่าเราไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยเราอยู่ในกองอุจระเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรเหม็นเหม็นมีอะไรน่าเกลียด แล้วเราไม่ต้องหาอะไรเลยถึงเวลาเข้ามาถ่ายให้ถ่ายให้แล้วก็กินท่านอยู่ตามเพื่อนของท่านเผมชอบอยู่อย่างนี้แหละนี่เคราะจิตเป็นอกุศลเห็นที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตของเรานี้จึงเป็นสิ่งสาคัญ น, นยามใดเป็นอกุศลเกิดขึ้น เคยเกิดก็แลว้วก็ดีไม่เคยเกิดก็ดีเมื่อเกิดขึ้นเพีงพยายามระวังละเสียถ้าไม่ปล่อยถ้าไม่ระวังปล่อยไว้มันจะเขยตัวมันจะแก่กล้างมันจะเกิดอย่างไม่เกรงกลัวใครที่จะมาทําลายเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นคนร้ายบ้างเป็นโจรบ้างเป็นคนไม่ดีบ้างพระปล่อยให้อกุศล ความงาม จ, ใจใิตใจของตนมัวมองผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เคยเจริญจิจภาวนาก็คือไม่เคยชำระจิตขจัดจิตของตนเองให้สะอาดเหมือนคนใส่เสื้อผ้าวันสองวันสิบวันยี่สิบวันแล้วไม่เคยซักมันก็จะมีกลิ่นตะเหม็นความเหม็นนั้ชอบใจของตนเองนอนอยู่ในอมอุจอละชอบใจตนเองแต่บัณฑิตทั้งหลาย ที่ได้ปฏิบัติทมแล้วก็จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอบายภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์ที่ชั่วไม่ใช่ดีไม่ใช่ทางไปสู่สุขติเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอกุศลคือบาปต่างๆความเมตต์ต่างนนำพาหรืออยู่ในจิตของผู้นั้นจึงได้กล่าวจะสอนต้อนว่าบาป หรือกระแสแห่งความชั่วอยู่ในจิตของผู้นั้นเองเกระแสแห่งความชั่วมาได้อย่างไรก็มาในตัวของเราเองเนะฮือตาเห็นรูปพอใจราคะเกิดขึ้นตาเห็นรูปไม่พอใจโทสะเกิดขึ้นตาเห็นรูปลงไหลมัวเมาโดยการจากโมหะเกิดขึ้นมาจากในใจไปอยู่ในใจทั้งสิ้น สายเห็นรูปก็เข้าไปอยู่ในใจหูฟังเสียงก็ไปอยู่ในใจจมูกได้กลิ่นก็ไปอยู่ในใจจินตนาลัรษก็ไปอยู่ในใจกายถูกต้องสัมผัสก็อยู่ในใจเป็นอารมณ์นึกถึงได้ก็ไปอยู่ในใจเพราะฉะนั้นใจนั่นเองเป็นสถานที่ของบุญและบาปหรือของดีในชั่วหรือ ส, ะสะอัจฉิตรสุขก็ปกหรือดีก็ไม่ดีอยู่ที่ใจ บุคลผู้มีสติปัญญาเกิดมาในฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, ารู้จักทําราะจิตใจของตนเองให้เกิดความผ่องแผ้วให้สะอาดก็จะรักความดีประกอบคุณงามความดีมีศีลมีธรรมบุคคลผู้ไม่มีศีลเมื่อรักษาศีลและเห็นคุณของศีลแล้วมีความสุขใจก็จะพึงมีความพึงพอใจเกิดศรัทธาปสาทะอันใด ที่ยังไม่เคยก็จะเกิดดีขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเลยงอกงามไบบูดยิ่งขึ้นแล้วมันรักษาศีให้เกิดความอ่านให้เกิดความสังวรดังที่ก่ามาแล้วทีนี้ข้อที่ห้ายา น, นสังวรยา น, นสังวรคือความทั้งรวมด้วยยานคือหมายความว่าพิจารณารู้ตามความจริงว่าการทําบาปเป็นความชั่วการอจินณาทานเป็นความชั่ว การทำกาเมสุมิช่าจานเป็นความชั่วความพูดมุสาเป็นความชั่วความดื่มสิ่งชื่อมึนเมาและทำผิดต่างๆเป็นความชั่วเมื่อการรู้ความชั่วเหล่านี้เว้นเสียละเสียเห็นว่าเป็นทุกเห็นว่าเป็นไปเพื่อทุขุคติไม่ใช่สุขคติไม่ใช่เป็นความดีทั้งในปัจจุบันในท้าย้าคหน้าย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคมผู้คนดีแล้วคือเป็นบัณฑิตแล้ว คือผู้คิดีพประกอบคุณงามความดีแล้วและเพื่อจ้งใจละเสียรู้สึกตัวอย่างนี้เดียกว่ายานนะสังวรเพราะฉะนั้นสังวรใน5ประการนี้เป็นเหตุให้คนทําดีมีศีลเป็นเหตุให้คนทําดีมีจิตภาวนาเป็นเหตุให้คนทําความดีคือประกอบความสุจริตความดีงามและเป็นเหตุให้เกิดความเจริญเจริญโตของธรรมไปถึงวิปัตนายานตามต้อควรแก่กําลังของจน ผู้ที่จะมีศีลมีธรรมผู้จะมีจิตจัตภาวนาเพิ่งต้องมีสังวรห้าประการนี้คือมีทั้งศรัทธาคือคือ <c oughs> มีสติมีวิริยะมีขันติและมียานทั้งห้าประการนี้เพื่อขจัดสิ่งที่มัวหมองต่างๆให้เบาๆแลวหมดไป เหมือนกับบุคคลผู้สะอาดรู้จักสักเสื้อผ้าอาบหามชำระร่างกายของตนชั้นใดผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือมีศรัทธามีสติมีวิญญาณพิจารณาดูอยู่เสมอว่าพฤติกรรมของเราอย่าให้มีความชั่วให้ทำความดีถึงแม้จะอยู่ มีชีวิตอยู่มากมนานน้อยเพียงใดก็ตามชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมันมีสุขติเป็นปลายในเบื้องหน้าถึงจะมีความร่ำรวยหรือยากจนก็เป็นผู้ที่ประเสริฐก็เป็นผู้ที่มีธรรมนำให้บุคคลเหล่านั้นไปสู่ทางที่ดีคือทางสุขติเรียกว่าทางสบายถึงแม้ยังไม่ถึงที่อุตแดงชีวิตก็มีความปิติและอิ่มใจว่า เรามีศีลเรามีธรรมเรามีธรรมห้าประการนี้จึงมีศีลห้าประการคือปาณาติปาจาเวรมานีเป็นต้นอันเป็นหุณทางที่จะทําให้เราได้บุญในกุศลแห่งความดีงามเป็นยานเป็นสะพานเป็นทางเดินแห่งทางไปสู่สุขติศีลห้าหรือสังวรห้าประการดังในกล่าวมาแล้วนี้ เป็นสะพานทิพย์ของบุคคลที่จะนําไปสู่สุคติตัปสมบัติหลักฐานมากมายเพียงใดก็าตามตลอดถึงจะมีครอบครัวหรือลูกเจ้าเหล่ากอมากมายเพียงใดก็าตามมีอํานาจพวกพ้อมมากบริวารมากเพียงใดก็าตามเป็นต้นสิ่งเหล่านั้น เมื่อถึงวันตายช่วยอะไรเราไม่ได้เลยจะช่วยอะไรเราไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยทรัพย์คงเป็นทรัพย์บ้านคงเป็นบ้านที่ดินคงเป็นที่ดินเพื่อนคงเป็นเพื่อนบริวารคงบริวารเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครสามารถกางกัน้นหรือป้องกันมัจจุราชที่จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของตัวเราเอง ที่พึ่งอันสาคัญก็คือที่พึ่งของธรรมเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาเจ้าจึงตัดว่าธนาธาติคเวมาทะอนาธาเป็นต้นหมยายความว่าทัศนทั้งหลายต้งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะธรรมเป็นที่พึ่งนั้นเป็นที่พึ่งได้ตลอดชีวิตคนอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของเราอยู่ในบ้านครอบครัวเขาตามก็มีพึ่งได้เพียงอยู่ชีวิตมีชีวิตยังแข็งแรงอยู่ เมื่อแข่งไม่มีแข่งแรงก็พึ่งกันไม่ได้และคนอื่นก็เช่นเดียวกันทำสอนข้อ น, นี้ไม่ใหญ่ดูถูกพ่อดูถูกแม่จะยากทั่วพ้องเลยผู้บุคลาระแต่ฟวามจริงเป็นอยู่อย่างนี้พึ่งสิ่งเหล่านั้นตามท้องพวนและก็มีธรรมพึ่งธรรมถึงผู้นั้นคนเหล่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอยู่เราก็ต้องพึ่งธรรมไว้อยู่อย่างสมานเสมอคือรักษาความดีให้เกิดมีขึ้นอันจะเป็นตูว สุขุจีพบในภายภาคหน้าเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของวิเศษที่จะมาช่วยทําให้เราเป็นของรําเลิศให้เมื่อร่วงรับไปแล้วไปสู่สุขุจิได้นอกจากรรทำทำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งศีลและธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนด้วยเมตตาการุณาอย่างสูงสุดในพระทัยของพระองค์เห็นหมูชนในหมูใด ยังไม่มีศีลไม่ทีตามเสด็จไปสั่งไปสอนไปแนะนำให้ความรู้ให้ความเห็นด้วยประการต่างซึงดูพิสูจน์สงผู้บวชในพระพุทธศาสนามีมีตามวันนะตามชาชั้นในตาไม่เหมือนกันรับการศึกษาดีบ้างยังไม่ดีบ้างมีฐานะที่ราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้างแต่เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นต้องศึกษาธรรมต้องศึกษาวินยัย และปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามพรรมวินยัยเหมือนกันหมดไม่ว่าอยู่ในภาวะอันใดจึงจะมีศีลมีธรรมและมีภาวะอยู่ร่วมกันสังรกรรมร่วมกันอย่างร่วมเย็นอย่างพวามร้เรื่อยความผาสุกที่วิต ท, ที่อยู่ด้วยธรรมก็คือที่อยู่โดยบุญอยู่ในความดีดังนั้นการบวชเรียนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุญแม้คารวะอุบาสกอุบายิกา อย่างน้อยวันพระก็มาละตาศีลหบ้างศินแปดบ้างไว้ให้เกิดในความดีของตนถ้ายิ่งพยายามรักษาศินแปดให้สม่ำเสมอด้วยมสม่ำเสมอดีแล้วน้อมเป็นที่พึ่งของตนพิธีอบอุ่นเป็นที่ประเสริฐแในชีวิตของตนไม่มีสิ่งใดที่นำพาให้ชีวิตของเราไปสู่สุคจิตได้สีเลนสุคจิยันติเราจะไปสู่สุคติก็เพราะศีล สีเลนโภกะสามปทาเราจะมีพ่อขสมบัติก็เพราะศีลสีเลนะเนปุติญญาติเราปไปนิพพานได้ก็เพราะมีศีลเพราะผู้จะปฏิบัติจอมให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ต้อมีศีลก่อนและมีสมาธิาจึงใช้ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาเป็นที่พึ่งเป็นที่อํานวยสุกขโยให้บุคคล ได้รู้ถึงซึ่งความดีมีพรามเท่าสองคนคนละอายุร้อยยสิบปีเห็ุคนหนุ่มๆเขาบวช ด, ด้วยภาพารหันอยากจะบวชบ้างมาเข้าขอทูลผู้เจ้าพระภาคเจ้าขอบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าอายุมากแล้วคงปฏิบัติไม่ได้แนะนำให้เป็นอุบาสกรับสินห้าสินแปดทั้งสองพยายามประคองรละสาชินแปดชวนกรอดรชีพและก็เมื่อสี่ชีวิตก็เกิดไปเป็นเทพป ย, ยดา มีวิมานที่อยู่ของตนที่นั่นมีโอกาสรักษาศีลมีโอกาสเจริญจิตภาวนามีโอกาสฟังธรรมมีโอกา ส, ม, กาสมีความสามารถและพระเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปอยู่ในภาวะที่ดีงามทั้งส่วนกายและตัวนในทางทจิตใจสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงมีพระมาหากรุณาธิคุณเป็นอันมากและสั่งสอนบุคคลโดยไม่เรียกว่าผู้นั้นอยู่ในวันณะใดทั้งข้างโลกในสมัยนั้น แบ่งชาติแบ่งชั้นเพื่อการการแต่พระองค์ไม่ได้แบ่งชั้นแบ่งชาติไม่ละเกตอะไรคราวหนึ่งนางปุณณาศีพอดีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าซึงได้ทําขนมเบื้องแล้วก็ไปจวายวใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฝีมือคนใช้ไม่ใช่ฝีมือนักที่จะประกอบอาหารแต่ว่าก็เลียกว่าทำขนมตามความสามตามฟ า, า, ามเป็นไปของคนจนหรือคนที่ไม่มีทรัพย์สิน พระองค์ทรงรับและไปขบไปฉันอาหารนั้นโดยที่ไม่มีความรังเกียจแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสมาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีชาติทันวันณะไม่มีวันณะพรามไม่มีวันณะกตัดไม่ว่าวันณะสูตรวันณะแพทยวันณะสูตรวันณะจันทานไม่มีในพระศาสนานี้เพราะเห็นว่าคนไปยทั่วไปจะได้ดีหรือไม่ดีเพราะพฤติกรรมของบุคคล ถ้าหาว่าคนประกอบด้วยปาณาธิบาตอาชินาทานกาเมตุมิจฉาจารมุกสาวาตดื่มสุราลเมลัยแม้จะเกิดวรนนะสูงแม้จะเกิดไปวรนนะกษัตริย์และมั่งมีทรัพย์สินบานใดก็ชื่อว่าคนชั่วคนไม่มีศีลไม่มีธรรมตายไปแล้วก็ต้องสู่นรกหมกไหมทรัพย์ินอย่งางนั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งช่วยู่เลยคนแม้จะเกิดเป็นคนจนพันใดแต่เกิดมัจฉยัต รู้สึกความเป็นไปแะพยายามรักษาศีลเจริญภาวนาและทำประกอบคุณงามความเมตตา ม, มีเมตตาธรรมเป็นต้นตลรอจนมีความประจันอยู่จะเวทีต่อบิดาของตนเลี้ยงดูบิดามารดาของตนมาท่านแก่แล้วเ่านี้ผู้เหล่านั้นตายไปก็จะไปเกิดในทุกปฏิเท่นเดียวกันดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นในพระพุทธศ า, าสนานี้จึงสอนให้บุคคลละความชั่วทาความดี เฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจพยายามกล่อมจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบแต่งจิตแต่งใจของเราด้วยพุโทโธคือชื่อของผู้ริจ้าผู้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้แจ้งเห็นจริงในโลกนี้ว่ามนุษย์อาจจะถลายเกิดมานั้นเพราะเหตุอันใดด้วยประการต่างและควรสอนอย่างไรและ สอนอย่างไรแล้วเขาจะได้ผลให้ไปรู้เห็นในธรรมที่เห็นจงความดีเหล่านี้เป็นต้นโดยที่แม้จะเดินทางไกลๆไปโปรดต่อไปและอื่นๆอีกเป็นอันมากด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระมหาการุณาธิคุณหรือเมตตาของพระพุทธเจ้าหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้จะว่านะ้ำในมหาสมุทรก็ไม่เท่าพระมหาการุณาธิคุณคือเมตตา แผ่นดินทั้งหมดทั้งโลกก็ไม่เท่ากับพระมหาการุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้พระมหาการุณาธิคุณให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคำสอนทั้งหลายทั้งปวงที่เราเข้ามาฟังธรรมมาบวชมาเรีในพระศาสนาละชั่วบรเพณีนี้ก็คือด้วยนะ้ําพระใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้และปฏบบบิบัติสืบสืบต่อมาต่อ น, นี้ไป จึงสำรวมจิตของตอนเองให้ปล่อยวางอารมณ์อื่นทั้งหมดแล้วนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเมตตาต่อเรานึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์เช่นให้มีกานมีศีลมีภาวนาหรือในทางพระวินัยของพระพิสุสงฆ์ด้วยทรงรบัญญัติได้สั่งสอนไว้และได้ทรงแสงสอนให้สอนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไป เมื่อมีทานมีถิ่นแล้วให้มีจิตเภาวนาอบรมจิตใจของตนให้กำจัดนิวรณ์นะอ่านเป็นกิเลสเครื่องบางจิตให้เกิดความสมองเมื่อนิวรณ์ไม่มีแล้วจิตสงบแล้วค่อยใช้ปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความจริงรู้จักอุปาทานประยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นรูปเป็นอารมณ์บา ง, งสัจนาการที่ชอบแล้วก็ผูกไว้ยึดไว้จือไว้ชอบไว้เรียวกวอุปาทาน เมื่อรู้เห็นตามความจริงแล้วก็จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตใจวางสิ่งเหล่านั้นก็จะได้เห็นธรรมเห็นจากจิตใจที่แท้ไม่ใช่เห็นด้วยการในหนังสือไม่ได้เห็นด้วยการท่องจำไม่ได้เห็นด้วยการสวดแต่เห็นด้วยจิตของตนเหมือนกับว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ทำนานแล้วคำาตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าห้าบวกกัห้าเราก็รู้ตันทีว่าเป็นสิบ เนคลิปนั้นเราก็รู้ปรากฏอยู่กับใจโดยไม่ต้องเขียนเราก็รู้ชันใดทำที่พระผู้มีพระปภาคหลวงสั่งสอนไว้ละทั่วมันเป็นความดีทำทีวิทย์คือจิตใจของเราให้ของแผ้วเป็นสมาธิความสงบในจิตเกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้รับสัมผัสความสุขที่เกิดจากสมาธิเราก็จะรับสัมผัสโดยที่ไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปบอกไปอะไร เกิดรู้อยู่ในจิตใจของเรานี่ควา ม, มสงบเกิขึ้นนี้ก็คือหมายความว่าเป็นบุญเป็นเหตุแห่งความบีที่เราประกอบขึ้นนี่คือเป็นกุศลที่จะนําไปเราสู่สุคติและนําไปเพื่อค้นพ้ น, พ น, พนจากทุกขังปวงจอ น, นี้ไปดวงจ้งใจปล่อยวางและนึกถึงพระพุทธเจ้าในใจพระธรรมในใจพระสงฆ์ใจพุทโธธรรมโมสังโฆ แล้วก็เหลือจะพุโทโธอย่างเดียวด้วยความมีสติอย่าพังเผลอให้ความเพียรให้ความบาปบันนั่นควาบอดทนให้นึกถึงพุโทโธให้ปรากฏนอนเนื่องอยู่ในจิตใจพร้อมด้วยสติและจิตที่นึกถึงนั้นต่อ น, นี้ไปจรงั้งใจเจริญจิจภาวนาที่ทำแล้วเข้าข้องประการใดก็รักษาอารมณ์นั้นไวเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เกี่ยวกความบนทุก์ตามคำสอนของภระาสะดาต่อไป